การฟังการฟังธรรมการฟังเทศจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะบางทีอาจจะไม่เข้าใจฟังเทศเนี่ยมันส่วนมากจะไปตามปริยัติตามตำราอธิบายเรื่องต่างๆ เ, าเทศนาจะมีระดับ เพื่อนๆระดับทานระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาระดับวิชาการต่างๆแล้วแต่สาธ่รนผู้ที่มาเกี่ยวข้องในงานนั้นๆอันนี้เรียกว่าเทศนาตามเหตุการณ์ทองที่มีงานที่เกิดขึ้นในจุดต่า ง, างๆแต่ที่นี่เป็นศูนย์รวมของเรื่องของธรรมะล้วนๆ อันนั้นแหละเราต้องสังเกตดูว่าเราฟังธรรมก็คือจท่านจะอธิบายเรื่องความเป็นจริงความเป็นจริงนี่มัน อ, อไม่มีอยู่ไกลจากตัวเราเลยความเป็นจริงทั้งหมดที่ออกเด็กที่อยู่ในหนังสือตำราทั้งหมดเลยนะความเป็นจริงก็คืออยู่ในตัวของเราทุกคนเดียวกว่ารูปธรรมท่านอธิบายความจริงซีลงไปตรงเนี้ยเอ่อ รูปธรรมล้วก็สามารถกำหนดได้เลยว่ามีอะไรบ้างในร่างกายของเรานั่นแหละ้าสองแสนสองศิษาอันหนึ่งเนี่ยห้าปุ่มนี้อนนั้นเวลาสมาทานจิตท่านก็นให้รักษาห้านี้ห้าปุ่มน้นมาให้ทำโทษห้าหไาจำไว้ตรงนี้สิ่งที่เราต้องจำน ะ, ะแต่เลาวถุนนำ ม, มาทำนั้นเป็นเจตนาทนี่เป็นตัวที่จะ สั่งสมกรรมอาศัยจิตมีเจตนาที่จะต้องใช้ากายเนี้ยไปทำกรรมก่อนที่จะทำกรรมเนี่ยถ้าไม่ฝึกไม่เลือกกรรมเนี้ยมันก็เป็นแล้วผสมกรรมจะมาผสมในจิตเราบางครั้งก็คิดถึงเรื่องดีบ้างคิด่องไม่ดีบ้างมันคิดกะทึงเรื่องสบายใจบ้างที่ไม่สบายใจบ้างอันนี้เพราะอะไรเพราะเราทำกรรมผสม ทำตั้งอาุสุคือความไม่ฉลาดของจิตแล้วเอาขาดสติมาละลึกลูล้ซะก่อนแล้วขาดปัญญาในการที่จะพากายวาจาไปทำไปพูดนันไม่ได้กรองซะก่อนว่าดีไหมอะไรทั้งนั้นผิดไหมถูกไหมไม่ได้กรองเรียกว่า ในคำมะกาลังสยโยก็พิจารณาก่อนแล้วค่อยทำอะไรต่อน้องคนที่มีความผิดพลาดต่างๆร็แต่ขาดตัวนี้เั้า น, นั้นแหละอ้านัดการอฏิบัติธรรมต้องนำนาหน้าโดยสติซยก่อนเราจะใช้กายใช้วาจาใช้ใจของเราต้องมีสติซยอก่อนอันนั้นนะการสั่งสมบุญสั่งสมกุศลเราต้องอาศัยกายฮนะ บุญมันก็มีอย่างที่เราเห็นไงบุญกิริยาวัตถุก็ต้องมีวัตถุเป็นเครื่องหมายกิริยาก็ต้องการกระทําร่องกายบาจาอย่างที่ทำเมื่อกี้ไงบุญกิริยาวัตถุบุญบุญส่วนนี้มันเป็นประโยชน์อส่วนร่างกายพอเราเอาธาตุปาะมุุลธาตุเราให้ไอ้มีกําลังวางใจเข้มแข็งเพื่อจะได้ใช่ากายเนี่ยวิาจาเนี่ยใช้ธาตุเนี่ยไปทําบุญทําบุศสให้ เกิดให้ไหลเข้าไปอยู่ในจิตของเราเราต้องต้องใช้กายใช้วาจาในทางที่ดีนีแต่ที่จะทํากายวาจาที่ดีได้ก็ต้องฝึกจิตให้ดีจิต ด, ดีจิตฉลาดอย่างที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน ส, ส า, สาวกทั้งหลายอากคุสนเพราอมันนําทุกโทษเวรภัยมาให้เนี่ยพระองค์ให้ละไง บางคนรู้จักที่จะละอกุศลละอยู่ตรงไหนโลกก็มันง่ายที่สุดแต่เราถ้ารู้จักจกหมายขึ้นละกี่กายที่วจาแต่กายวจาพวกเราอาจไม่ลกไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ไปทำํำนะแต่เรื่องโมโนเนี่ยที่กายปฏิกิรกรรมเี่ยโอเคอยู่พอพูดอะไรก็พอที่จะรู้เรื่องถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีก็หยุดได้การละอกุศลที่จะให้จบเนี่ยต้องละที่โมนโนกรรมด้วย กายโอเควาจาโอเคอจใจอย่สิต้องละที่ใจทีนี้เราจะละได้ไงที่อกุศรที่เกิดขึ้นในจิตอ่ะเพราะมันมีตัวนิบอนห้าเป็นตัวเป็นตัวที่ทำให้จิตเป็นอสอุรนั่นจึงมีการบำเพ็ญสมาธิเพื่อระงับนิวร์เน่ให้มันไม่ให้เข้ามา เราอาจจะเข้าใจแล้วหรือว่าเข้าใจแล้วก็เรื่องนิบอนละทำพลาเนี่ยการมชันท้าปยาบาททิ่หน้าเมตทะกุจปเจกิจิสารห้าตัวเนี่ยที่มันจะทําให้จิต โ, โม่จิตไม่ฉลาดห้าตัวเนี่ยมันจะทําให้สั่งการที่ไปทากายทวายจาร์ไปไม่ทํารําที่เป็นอกุศลคือไม่ฉลาดนะอันนั้นท้าเรา ปฏิบัติธรรมก็ตึกว่าษษที่กายของเรายืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนทํางานก็รู้ว่าทํางานในรูปนักกิจวัาปร ะ, ประจําวันแล้วนกะ็ในขณะที่ทำเน ией, ีน่ยก็รู้ว่าทํานี่ผิดหรือถูกดีหรือชัวอ่วสองตรวจดูอีกไหมเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวม <Yes. S 2> ก็ได้บุญเยอะถ้าดีด้วยเดี๋จะฟอกครอบครัวตียเองและตัวเอ ง, เองอก็ได้ได้บุญเฉพาะแต่ถ้าดีไปมากกว่านั่นือดีเพื่อส่วนรวม หมู่คณะเอะฮดีเพื่อตัวเองดีเพื่อผู้ อ, อื่นได้ก็ดีส่วนรวมส่วนรวมก็มีน้อยมีมากอาถ้าคนที่มีความดีมากก็สามารถที่จะทําให้เกิดความสุขแก่คนหมู่มากได้เยอะมันอยู่ที่ความดีที่ของแต่ละท่านแต่ละองค์ที่สั่งสมไนิจิตถ้ามี power มากก็สามารถที่ทําความสุขให้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องในมากอา่าแล้วก็สอนในคนฉลาดมาก ขึ้นนั่งความโง่ของกิจของภูมาิาเกี่ยวข้องอตาดออกให้หมดทั้งนี่ไอ้ความโง่คืออะไรล่ะมันเป็นตัวจําได้นะ่น้อความโง่เราจําอยู่ตรงนี้กับความฉลาดเรจําได้ง่ายนะมันกลับกันธรรมะจะเป็นของกลับกันคล้ายๆขาวกับดํำนี่แหละทุกอย่างจะเป็นคู่กันนะถ้าว่างโง่ก็คือไม่ฉลาดทีนี้เราจะแก้ความโง่ก็คือความฉลาดน อันนั้นในคําสอนพระพุทองค์พุทธองค์ก็คือย่อยอยู่ท่านอกุสสนเนี่ยที่จะรู้ได้ต้องมีสติสมบูรณ์นะเวลาอกุศสเกิด ข, ขึ้นในจิตแล้วก็ความมั่วเข้ามคามครอบงาปุ๊บมันจะโง้เพราะอะไรเพราะตาหนึ่งตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นก็โดูกร่าได้สัมผัสใจได้ก็ามาเสนออารมณ์มาสุนัยใจปุ๊บพอสุนัยใจปุ๊บแล้วถ้าใจไม่ฉลาดพ อ, อมีวอนครอบ พอในวณนครอบแล้วก็ไปตามพิตาเห็นการมาชันท่ากับไปทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสอย่าง น, นี้นะสัมผัสวัต<ม>ถุกรรมก็คือกลุงไหลในวัตูุเครื่องใช้ไม้ส้อยเครื่องที่ตาเราเห็นหูได้ยินทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุกรารมคนเราจึงวิ่งไปตามวัตถุกรรมทั้งหลายกิเลสกรรมคือนิพพานห้าเป็นตัวบัญชาการอยข้างในอันนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องฝึกสมาธิ อบุญสมาธิสมาธิไม่เรียกกิริยาแนละ้วเป็นอาการรีโกยืนก็เป็นได้นั่งก็ ไ, งได้นอนได้สมาธิคือดูว่าจิตของเรามันเป็นคู่กับธรรมารมใช่ไหมจิตก็ทธาตุรู้ธรรมลมคือสิ่งที่ถูกรู้อย่างเนี้ยสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมาจากเสนอเข้ามาในจิตไม่ว่ากิาดดริยาบทใดหลัตาก็ก็เสนอเข้ามานะธรรมารมทั้งหมดคือเกิดจากตาเห็นมาแล้ว โอได้ยินเรื่องราวมันแลกอย่างเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องอโลกเรื่องอทุกขภัยวัตภัยอคีภัยเรื่องร้ายเรื่องเสียเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งหมดในโลกเนี่ยที่ตาเราเห็นหูเราหินมันจะเข้ามามันเข้ามาอยู่ในจิตนะมันจะเข้ามาอยู่ในจิตทตนี้ จิตของเราถ้าไม่ฝึกสมาธิมันก็หวันไหวนี่ค้อมายอยู่ตรงเนี้ยจิตไปวันไหวไปตามกระแสที่ที่รำลมมาสู่ให้ดูเนี่ยกิตธรรมดาเป็นท่ารู้ให้เฉยนะแต่ว่าเราตื่นขึ้นมามันมีมีตามีหูมีจิบูมีเล็บ ม, มีกายไหมเห็นไหมมีใจมันก็เป็นทำมลมที่เรารู้เราเห็นแล้วก็เสนอเข้าไปในจิตจิตถ้าไม่ฝึกสมาธิเนี่ถูกอกุศลครอบงาคืออกุศลก็คืออันไหนที่ชอบอันต้องการ นิสัยพย่างนี้เนี่ยมันก็เจอความโลภในเรื่องนั้นความหัอปุ๊บมะถ้ามันไม่ชอบถ้าเห็นได้ยินได้ฟังไม่ชอบเรื่องเลานี่คนนี้คนนี้นี่มันจะเกิดความขัดเคืองขึ้นมาในจิตแล้วชอบไม่ชอบความหลงกับหุ้มเข้าไปเองเพราะว่านั่นเดเรื่องของบาปเนี่ยให้ละนี่ตั้งละอยู่ที่วิธีละก็คือให้มีสติรู้ว่า จิตของเราเป็นยังไงบันไหวไหมเนี่ยสิ่งที่มากระทบเนี่ยร้อยทั้งร้อยแหละถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิก็บันไหวเท่านั้นแหละแต่ถ้าฟันไหก็ต้องรู้ทันว่ามันหวันไหวบนไหวก็หยุดอหยุดด้ยวยแ ป, ป, ปรบละ ล, าาละพระกุศลพระพุทธเจ้าทรงให้ละกุศลควรเจริญคือความฉลาดต้องเจริญอยู่เสมอการเจริญความฉลาดเนี่ยก็ต้องมีสติในการเดินการยืนการนั่งการนอนการบริโภคบริโภคหรือบริโภคเพืออะไรเนี่ยโอ้เรามี ผมเสื่อมร่างกายเราเราต้องเอาพวกนี้ไปเยียวยาวไวต้ตั้งตังความเข้าใจซะก่อนเราไปอาบน้ำก็ อ, อะไรนี่โอ้เพราะเหอใครออก ม, มาสุขปกเปิือเพื่อนเสือ้อผ้นนาในรถจิง ส, สารสัง น, นี้คือได้เป็นญาตลอดอเวลาเราทำงานกับเพราะอะไรเพราะเราส่างคายเราไม่เที่ยงมันมีความเหนื่อยความเมื่ อ, อยความหวมีจะต้องใช้จะปัจจัยชีวิ เครื่องบริโภคบริโภคดูแลอยู่เนี่ยทำงานเนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับร่างกายทั้งนั้นแหละพิจารณาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า อ, อที่เราทํางานมันเพราะมีร่างกายเนี่ยเป็นตัวปัญหาใหญ่ให้ให้พิจารณาไวก่อนจิ้งทำมันเกี่ย่างหลงหองในขณะทุกๆขณะนั่นแหละมันเป็นการปฏิบัติธรรมในตัวละ ชั่วทําดีแล้วก็แม้ว่าทําดีมากกว่าชั่วนี่ความชั่วก็ลดลงลดลงสมมตมว่าเราสร้างกุศลนี่มันสลาดขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความไม่ฉลาดก็จะลดลงนะลดเหลือสี่สิบถ้าเรามีความฉลาดมากขึ้นถึงหกสิบอคุศลความไม่ฉลาดมันก็จะลดลงเหลือสี่สิบตรงนี้แหละถ้าฉลาดขึ้นสลดขึ้นอะไรขึ้นอกุศลลดลงเราถ้าตลาดร้อยเอร์เ็นคือหมาจถึงปฏิสัมภาระสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยครอบรอบนั่นนี่ จะยิงจะเดินจะนั่งจะนอนรู้เท่ารู้ทัน้าเห็นวิริย์อะไรทั้งหมดก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้เท่ารู้ทันสิ่งดีไม่ดีเป็นอารมณ์ไม่ได้ไปยึดเลยจริง้ถ้ามันเต็มรอบนั่นนะเรียกว่ากุศลฉลาดร้อยเปอเซ็นอกุศลไม่มีไม่มีอกุศลแล้วนิวรณนก็ดับขามัจฉันทะมองไปนี่เห็นอย่างเนี้ยมันจะไปโลบได้ไงว่ามันเท่าทุกฮะ อาหารเกื่ยงใจมันสอยเสือ้อผ้าอาวรณ์จะไปหลงกันทำไมเรามีร่างกายก็นู่นปกปิดไว้ซะนั่นเองเทามีร่างกายแล้วก็ต้องไม่มีพ ร, ราดในเรื่องเสือ้อผ้าเรามีห้องน้ํเพราะอะไรเพรามีร่างกายจะต้องไปชำระประสางของที่สขกปกได้ร่างกายเราเ่งเป็นธรรมะหมดเลยที่นี่มันเป็นความจริงความจริงความจริงเนหลาอย่างในในความหลงที่เราหลงอยู่ในจุดไหนถ้าเราพิจารณาให้มีสติจะมีปัญญาสติก็ต้องเป็นสัมมาสตินะปัญญาต้องเป็นสมัตปัญญา แต่มิจฉาสติมันก็จะเลือกว่าทำไงเราจึงจะสวยทํำไงเราจะงามทํำไงเราจะรวยทําไงเราจึงจะออะไรมันจะพูดไปลักษณะนั้นถ้าหากว่าไม่มีอสมรปัญญาเป็นมิจฉาปัญญามันจะหลงปัญญามันกันแต่มันปัญญาชอบปัญญาไม่ชอบปัญญาทางโลกมันจะให้มันก็ลุ่มหลงหอยู่กับโลกนยะปัญญาทำมาแก่ร่างความหลงออกจากจิตอันนี้นะ เรียกว่าเป็นาเป็นสมาธิสมาธิว่นเป็นได้ทุกกิริยาหมดไม่ใช่ว่าที่ว่านั่งสมาธิเป็นกิริยาแค่ น, นั่งนะฮะอันเรียกว่านั่งสมาธิเดินสมาธิหรือ เ, เดินจงกมมีสติสัมปชัญญะในเ้าถูกพื้นถ้าเรามีบ้านมีอะไระในฐานเดินเราก็กําหนดสมาธิคือไม่วอกแฝกให้มีความรู้ตัวในท่าถูกพื้นทุกเท้าขวากับลูกซ้ายกับลูกขวากรบลูกข้างเป็นของรูปปัจจุบัน ในขณะที่เราเดินโยกรมนี่มีความรู้อยู่ปัจจุบันอากุศลเข้ามาแทรกไม่ได้เพราะอากุศลจะกลัวเรื่องสติมากสติสัมปชัญญะความโรคเข้ามาไม่ได้ความโกรธเข้ามาความหลงเข้ามาไม่ได้ก็เป็นจิตที่ไม่มีโลคไม่มีโกรธไม่มีหลงเรียกว่าจเจริญกุศลเดินโยกรมก็ได้ในสุขเยอะอร่างกายก็แข็งแรงนอนก็เหมือนกันนอนต่อหลับตาทุ้บไปแล้วก็หายใจเข้าขกรูห้หายใจออกรู้ ก, ก็เป็นปัจจุบันดี จิตมันจะรับไปเรื่องร่วงมาแรกของลูกที่แวบไปมันเป็นอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์เป็นคู่กับจิตตรงนี้เราไปแยกได้โอ้จิตเราดูเฉยๆมันจะไปคิดมากอะไรก็เรื่องประมาณที่คิดไปเพราะมันเป็นวิปากขันเนี่ยขันท่าวิบากคือลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไม่มีไม่ได้อเวทนากถ้าอราหลับพอมีความรู้สึกบางทีเราเมากาย บางทีก็เก็บตรงนูงน้นปวนี่มันก็แสดงความจริงใช่ไหมร่ลลางกายเราเรานอนนอนท่านอะไรก็แล้วแต่อยากจะเห็นความทุกข์ง่ายก็นอนอย่างนี้นะมันก็ตรงนี้แหละขึ้นก่อนแล้วมันก็แสดงความจริงของร่างกายแล้วก็กาหนดรูปไปโอ้ความจริงของกายเป็นนี่ถ้าทําอย่างนี้นานๆอืจิตเราไม่มีอํานาจที่จะบอกกายให้ให้เป็นไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เขามีอํานาจกว่าจิตบางอย่าง อ, อถ้าจิตมีอํานาจกว่ากายอีกบางอย่าง อคืออำนาจจึงไม่เหมือนกันจิตมีอำนาจกว่ากายเกิดหมายแล้วกายเราสุขภาพแข็งแรงเราก็พาไปทํานวนทํานี่มันเราพาไปไหนก็ก า, ายก็ทําแต่ว่าเก็่ยวกับใครได้ป่วยนี้เราจะบอกไม่ให้เป็นก็ไม่ได้สิมันมีอำนาจกว่าเราแก่เก็บตายอย่างนี้กายมีอำนาจกว่าเขามีหน้าที่อย่างนี้ฉะนั้นเรางการทำความรู้เอาไว้ใช้ปัญญารู้เอาไว้รู้ริงเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มันเป็นเนี่ยมันก็ความหลงที่มันมีอยู่ใน เอกุศลเกิดมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงสุดท้ายก็เป็นความรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยวุฒิส่วควรเจริ่นก็เจริ่นแล้วนะเจริญแล้วคือมาจบเกริญจนสมบูรณ์แล้วนะมันจะคาว่าอกุศลควรเจริ่นคือยังไม่จบอ่าเจริ่นแล้วจบนะฮะนั่นแหละเรื่องสมาธิจึงควรทําแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่เห็นคุณค่าของสมาธิก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องลาบากความจริงเรานั่งปุ๊บมัน ถ้าไม่ได้บุญก็ได้กุศลนั่งสมาธิได้บุญก็คือเวลานั่งมัสบายนั่งดูโซเขาหย่อนคอเมือวางท่าไหนก็ให้รู้อยู่ท่านั่นแหละรู้เวลานั่งท่านี้ก็รู้อยู่ปัจจุบันนั่งรู้อยู่ตลอดเวลาเออนั่งก็เป็นสมาธิแล้วแล้วนิวรณ์ตัวไี้จะมาครอบงำนะถ้าไม่ชานาญคนระอบงำ ม, มัได้นอกจากว่าไม่ชานาญก็คือความเผลอนะนะั่นแหละ คมงว ง, งนะมันจะเข้ามาแทรกก่อนอพอ ง, ง่วงแล้วถ้ามันไม่ง่วงทีมันคิดมาก mm hmm. คิดเรื่องข้างหลังคิดเรื่องข้างหน้าแต่มันคิดเรื่องข้างหลังข้างหน้ามันกลับมาชวปัจจุบันของเก่าในขณะที่เราคิดเรื่องพวงนี้ใช่ไหมมันรูปปัจจุบันยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้สังเกตได้ง่ายเวลาเราเวลาเราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นใช่ไหม mm hmm. คิดนี่แหละคิดขึ้นก่อน คิดกขึ้นก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้พูดเราลูกทันก่อนก็ละไม่ถ้าเข้าห้ากันเนี่ยต้องดูความรู้สึกความคิดของเราเรามันจะเลือกคิดเรื่องไม่ดีของคนอื่นไม่ได้ตีคนอื่นไม่จะว่าคนอื่นไม่จะว่าคนนู่นไม่ดีเพราะอันนั้นไม่ดีอันนี้แต่ในผู้ว่าเนี่ยเนี่ยจิตของตัวเองเนี่ยเป็นแล้วแต่ว่าสติไม่ไม่ไม่รู้เท่าปัญญาไม่ไม่ทันมันก็เลยทํากรรมทำกายททําำคำทั้งวาจากับใจ เออมันฝืนคาสอั่งอย่างนะเอออาุศอจิตถ้าพูดต่อใจใจหลงหรือว่าเจ้าของดีหรือว่าคนอื่นไม่ดีกับพูดต่อใจประจาพูดถึงเสารงานหรือไปก็เรียกว่าเอาความผิดเอาความไม่ดีให้คนอื่นฟังเพิ่มความโง่อีกนะแล้วก็เพิ่มความโง่เพิ่มความหลงเขาให้เจ้าของเวลาคุยกันนี่ยสําคัญนะเพอมันไ ม, ไม่รู้จักที่ละบาปละที่กายที่ประจ่าที่ใจอย่างเงี้ย แต่ในขณะที่พูดคุยกันเรื่องนั้นเรื่นี้ไปเรืยองนั่นไม่รู้ตัวแล้วว่าพวกเจ้าให้ละไห่ละไห่ระวังสำรวมแหนเป็นอย่างนี้นะนี่เราวิธีละบาปละที่กายของเราที่วิชาและที่ใจถ้าว่าปุ๊บนั่งหลัตาเลยเฉยเลยลืมตาก็ได้ลืมตาก็เป็นความรู้ปัจจุบันเรืงนั้นแหละในว่าสํารวมรวมความดีของเจ้าของที่ทําะไรให้ได้ รวมกับระวังหรือมันจะคิดไม่ดีทําให้ดีผูป้ปฏิเสธระวังไว้มันก็เราขับรถเนี่ยระวังทั้งนั้นแหละแต่พลาดทาไม่ระวังอันอันตรายนะขับรถยังมีวัตถุเป็นวัตถุนะแต่ว่าระวังใจเป็นอารมณ์กับความรู้กิจรู้แต่อารมณ์ระวังอารมณ์ที่มาสัมผัสกิจของเรามันเป็นอัติตารม์่วงแล้วอนาคตาลม์ข้างหน้าปัจจุบันนารมโชปัจจุบันโชอะไรก็หลอกละโชแล้วหลอกละรู้เท่ากับปอยรู้เท่ากับปอยเนีหมว่า ละละหรือยังละแล้วก็เฉยถ้ายัางละไม่หมดก็พยายามละอยู่นั่นนะไม่อาจจะคิดเรื่องเก่าซ้สำๆซ้ำๆคิดไปเราลูล่อยู่อลู่จนมันรอบแล้วมันเลเฉยเลยดิไม่ปอให้มันคิดเป็นเหมือนเป็นแฉนเรื่องก็เฉยเพราะคนรู้ว่าอารมณ์กับจิตเปอันเดียวกันอันนี้เรียกปัญญาสมาธิติฮสติสมาธิปัญญาสติคือเป็นผู้มีสินสมบูรณ์เอสมาธิคือไม่บร น, นไายในอายตสัมผัสทั้งหมด แต้ละวันสมาธิปัญญาเข้าใจสิ่งทั้งหลายเป็นความไม่เที่ยงทั้งหมดแล้วก็เฉยวางวางด้วยความรู้เท่านั่นแหละปฏิบัติธรรมมันจะไปจบอยู่ตรงนี้